พระไตรปิฎกเล่มที่ส4บสี่มหาจัตตารีสกสูตรว่าด้วยธรรมบัญญายชื่อมหาจัตตารีสกอธิบายมรรคแปดอันเป็นอริยะสัมมาทิฏฐิเป็นหัวหน้าสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบินธิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีหน้าที่นั้นแหล พระผูมีพระาพาดได้รับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงธรรมสมาธิในองค์มรรคอันเป็นอริยะคือไม่มีโทษเป็นโลกุตระธรรมที่มีอุปนิสสคือมีเหตุมีปัจจัยบ้างมีปริขาระคือมีองค์ประกอบบ้างเราจะแสดงแกเธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังสัมมาสมาธิอันเป็นอริยนั้น จงใส่ใจให้ดีสมมาสมาธิคือการตั้งจิตมั่นชอบอันเป็นอริยะมีอุปนิสสะมีปาริคาระคือมีเหตุมีปัจจัยมีองค์ประกอบเป็นอย่างไรคือสัมาทิฐิความเห็นชอบสัมมาสังกัปปะความดำริชอบสัมมาวาจาเจรจาชอบสัมมากัมมันตะประธรรมชอบ สัมมาอาชีวะเลี้ยงชีพชอบสัมมาวายามะพยายามชอบสัมมาสติระลึกชอบสภาวะที่จิตมีอารมณ์เดียวแวดล้อมด้วยองค์เจนี้เราเรียกว่าสัมมาส ม, มาธิอันเป็นอริยะที่มีอุปนิสสะบ้างที่มีปริขาระบ้างบรรดาองค์เจนั้นสัมมาทิฐิเป็นหัวหน้า สัมมาทิฏฐิเป็นหัวหน้าเป็นอย่างไรคือภิกษุรู้ชัดมิจฉาทิฏฐิว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิโดยความเป็นอารมณ์เพราะแทงตลอดลักษณะว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตารู้ชัดสัมมาทิฏฐิว่าเป็นสัมมาทิฏฐิโดยความเป็นหน้าที่เพราะไม่หลงงม ง, งายความรู้ของภิกษุนั้นเป็นสัมมาทิฏฐิ มิจฉาทิฏฐิเป็นอย่างไรคือความเห็นว่าทานที่ให้แล้วไม่มีผลผลวิบากแห่งกรรมที่ทำดีและทำชั่วไม่มีโลกนี้โลกหน้าไม่มีมารดาบิดาไม่มีคุณสัตร์ที่เป็นอบปติกะเช่นเปรตพรหมเทวดาก็ไม่มีสมณพราหมณ์ผู้ประพฤติปฏิบัติชอบทำให้แจ้งโลกนี้และโลกหน้าด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วสอนผู้อื่นให้รู้แจ้งก็ไม่มีในโลก นี้เป็นมิจฉาทิฏฐิสั ม, มาทิฏฐิเป็นอย่างไรคือเรากล่าวส ม, มาทิฏฐิว่ามีสองได้แก่หนึ่งสั ม, มาทิฏฐิที่ยังมีอาสวะเป็นส่วนแห่งบุญได้ผลคืออุปธิ 2. ส, สั ม, มาทิฏฐิอันเป็นอริยะที่ไม่มีอาสวะเป็นโลกุตระเป็นองค์แห่งมรรค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 นี้เป็นสัมมาทิฏฐิที่ยังมีอาสวะเป็นส่วนแห่งบุญให้ผลคืออุปัิสัมมาทิฏฐิอันเป็นอริยะที่ไม่มีอาสวะเป็นโลกุตระเป็นองค์แห่งมรรคเป็นอย่างไรคือปัญญาปัญญีนียปัญญาภละธรรมวิจยะสัมโพชงสัมมาทิฏฐิองค์แห่งมรรคของภิกษุผู้มีจิตไกลจากข่าศึก มีจิตหาอาสวะมิได้เพียบพร้อมด้วยอริยมรรคเจริญอริยมรรคอยู่นี้เป็นสมาทิทฐิอันเป็นอริยที่ไม่มีอาสวะเป็นโลกุตระเป็นองค์แห่งมรรคภิกษุนั้นย่อมพยายามเพื่อจะละมิจฉาทิฏฐิอย่างสัมมาทิฏฐิให้ถึงพร้อมความพยายามของภิกษุนั้นเป็นสัมมาวายามะภิกษุนั้นมีสติ ละมิชาทิฏฐิมีสติเข้าถึงสัมมาทิฏฐิอยู่สติของภิกษุนั้นเป็นสัมมาสติธรรมะสามประการนี้คือสัมมาทิฏฐิสัมมาวายามะและสัมมาสติยอมห้อมล้อมคล้อยตามสัมมาทิฏฐิของภิกษุนั้นไปด้วยประการชนีภิกษุทั้งหลายบรรดาองค์เจ็ดนั้นสัมมาทิฏฐิ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 นี้เป็นมิจฉาสังกัปปะสัมมาสังกัปปะเป็นอย่างไรคือเรากล่าวสัมมาสังกัปปะว่ามีสองได้แก่สัมมาสังกัปปะที่ยังมีอาสวะเป็นส่วนแห่งบุญให้ผลคืออุปธิและสัมมาสังกัปปะอันเป็นอริยะที่ไม่มีอาสวะเป็นโลกุตระเป็นองค์แห่งมรัก สัมมาสังกัปปะที่ยังมีอาสะวะเป็นส่วนแห่งบุญให้ผลคืออุปธิเป็นอย่างไรคือความดำ่ริในการออกจากกามความดำ่ริในความไม่พยาบาทความดำ่ริในการไม่เบียดเบียนนี้เป็นสัมมาสังกัปปะที่ยังมีอาสะวะเป็นส่วนแห่งบุญให้ผลคืออุปธิสัมมาสังกัปปะอันเป็นอริยะที่ไม่มีอาสะวะ เป็นโลกุตระเป็นองค์แห่งมรรคเป็นอย่างไรคือความตรึกความวิตกความดําริความแน่วแน่ความแนบแน่นความปักใจความปรุงแต่งคาของภิกษุผู้มีจิตไกลจากฆาศึกมีจิตหาอาสวะมิได้เพียบร้อมด้วยอริยมรรคเจริญอริยมรรคอยู่นี้เป็นสัมมาสังกัปปะอันเป็นอริยะที่ไม่มีอาสวะ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 คือสัมมาทิฏฐิสัมมาวายามะและสัมมาสติยอมห้อมล้อมคล้อยตามสัมมาสังกประของภิกษุนั้นไปด้วยประการชันนี้ภิกษุทั้งหลายบรรดาองค์เจ็ดนั้นสัมมาทิฏฐิเป็นหัวหน้าสัมมาทิฏฐิเป็นหัวหน้าเป็นอย่างไรคือภิกษุรู้ชัดมิจฉาวาจาว่าเป็นมิจฉาวาจารู้ชัดสัมมาวาจาว่า เป็นสัมมาวาจาความรู้ของภิกษุนั้นเป็นสัมมาทิฏฐิมิจฉาวาจาเป็นอย่างไรคือการพูดเท็จการพูดสอดเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อนี้เป็นมิจฉาวาจาสัมมาวาจาเป็นอย่างไรคือเรากล่าวสัมมาวาจาว่ามีสองได้แก่สัมมาวาจาที่ยังมีอาสวะเป็นส่วนแห่งบุญ ให้ผลคืออุปธิและสัมมาวาจาอันเป็นอริยะที่ไม่มีอาสวะเป็นโลกุตระเป็นองค์แห่งมากสัมมาวาจาที่ยังมีอาสวะเป็นส่วนแห่งบุญให้ผลคืออุปธิเป็นอย่างไรคือเจตนาเป็นเหตุงดเว้นจากการพูดเท็จเจตนาเป็นเหตุงดเว้นจากการพูดส่อเสียดพูดคํหยาบพูดเพ้อเจ้อ นี้เป็นสัมมาวาจาที่ยังมีอาสวะเป็นส่วนแห่งบุญให้ผลคืออุปธิสัมมาวาจาอันเป็นอริยะที่ไม่มีอาสวะเป็นโล ก, กุตระเป็นองค์แห่งมรรคเป็นอย่างไรคือการงดการเว้นการเว้นขาดเจตนาเป็นเหตุงดเว้นจากวาจีทุจริตสี่ของภิกษุผู้มีจิตไกลจากข่าศึกมีจิตหาอาสวะมิได้ เพียบพร้อมด้วยอริยมรรคเจริญอริยมรรคอยู่นี้เป็นสัมมาวาจาอันเป็นอริยที่ไม่มีอาสวะเป็นโลคุตระเป็นองค์แห่งมรรคภิกษุย่อมพยายามเพื่อละมิจฉาวาจายังสัมมาวาจาให้ถึงพร้อมอยู่ความพยายามของภิกษุนั้นเป็นสัมมาวายามะภิกษุนั้นมีสติละมิจฉาวาจา มีสติเข้าถึงสัมมาวาจาอยู่สติของภิกษุนั้นเป็นสัมมาสติธรรมะสามประการนี้คือสัมาธิทฐิสัมมาวายามะและสัมมาสติย่อมห้อมล้อมคล้อยตามสัมมาวาจาของภิกษุนั้นไปด้วยประการชั้นนี้ภิกษุทั้งหลายบรรดาองค์เจ็ดนั้นสัมาธิทฐิเป็นหัวหน้า สัมมาทิฏฐิเป็นหัวหน้าเป็นอย่างไรคือภิกษุรู้ชัดมิจฉากรรมันตะว่าเป็นมิจฉากรรมันตะรู้ชัดสัมมากรรมันตะว่าเป็นสมัมมากรรมันตะความรู้ของภิกษุนั้นเป็นสัมมาทิฏฐิมิจฉากรรมันตะเป็นอย่างไรคือการฆ่าสัตว์การลักทรัพย์การประพฤติผิดในกามนี้เป็นมิจฉากรรมันตะสมัมมากรรมันตะเป็นอย่างไร คือเรากล่าวสัมมากัมมันตะว่ามีสองได้แก่สัมมากัมมันตะที่ยังมีอาสวะเป็นส่วนแห่งบุญให้ผลคืออุปธิและสัมมากัมมันตะอันเป็นอริยะที่ไม่มีอาสวะเป็นโลกุตระเป็นองค์แห่งมรรคสัมมากัมมันตะที่ยังมีอาสวะเป็นส่วนแห่งบุญให้ผลคืออุปธิเป็นอย่างไรคือเจตนาเป็นเหตุงดเว้นจากการฆ่าสัตว์ เจตนาเป็นเหตุงดเว้นจากการลักทรัพย์เจตนาเป็นเหตุงดเว้นจากการประพฤติผิดในกามนี้เป็นสัมมากรรมมันตะที่ยังมีอาสวะเป็นส่วนแห่งบุญให้ผลคืออุปธิสัมมากรมมันตะอันเป็นอริยะที่ไม่มีอาสวะเป็นโลกุตระเป็นองแห่งมรรคเป็นอย่างไรคือการงดการเว้นการเว้นขาด เจตนาเป็นเหตุงดเว้นจากกายทุจริตสาของภิกษุผู้มีจิตไกลาจากข้าศึกมีจิตหาอาสวะมิได้เพียบพร้อมด้วยอริยามรรคเจริญอริยามรรคอยู่นี้เป็นสัมมากัมมันตะอันเป็นอริยที่ไม่มีอาสวะเป็นโล ก, กุตระเป็นองค์แห่งมรรคภิกษุนั้นย่อมพยายามเพื่อละมิจฉากรรมมันตะยังสัมมากัมมันตะให้ถึงพร้อม ความพยายามของเธอนั้นเป็นสัมมาวายามะภิกษุนั้นมีสติละมิจฉากรรมมันตะมีสติเข้าถึงสัมมากามันตะอยู่สติของเธอนั้นเป็นสัมมาสติธรรมะสามประการนี้คือสัมมาทิฏฐิสัมมาวายามะสัมมาสติยอมห้อมล้อมคล้อยตามสัมมากามันตะของภิกษุนั้นไปด้วยประการชันนี้ ภิกษุทั้งหลายบรรดาองค์เจ็ดนั้นสัมมาทิฏฐิเป็นหัวหน้าสัมมาทิฏฐิเป็นหัวหน้าเป็นอย่างไรคือภิกษุรู้ชัดมิจฉาอาชีวะว่าเป็นมิจฉาอาชีวะรู้ชัดสัมมาอาชีวะว่าเป็นสัมมาอาชีวะความรู้ของภิกษุนั้นเป็นสัมมาทิฏฐิมิจฉาอาชีวะเป็นอย่างไรคือการพูดหลอกลวง การเรียบเคียงการหวานล้อมการพูดและเล็มการใช้ลาบต่อลาบนี้เป็นมิจฉาอาชีวะสั ม, มาอาชีวะเป็นอย่างไรคือเรากล่าวสั ม, มาอาชีวะว่ามีสองได้แก่สั ม, มาอาชีวะที่ยังมีอาสวะเป็นส่วนแห่งบุญให้ผลคืออุปธิและสั ม, มาอาชีวะอันเป็นอริยะที่ไม่มีอาสวะเป็นโลกุตระ เป็นองค์แห่งมกักสัมมาอาชีวะที่ยังมีอาสวะเป็นส่วนแห่งบุญให้ผลคืออุปธิเป็นอย่างไรคืออริยาสาวกในธรรมวินัยนี้ย่อมละมิจฉาอาชีวะเลี้ยงชีพด้วยสัมมาอาชีวะนี้เป็นสัมมาอาชีวะที่ยังมีอาสวะเป็นส่วนแห่งบุญให้ผลคืออุปธิ สัมมาอาชีวะอันเป็นอริยะที่ไม่มีอาสวะเป็นโลกุตระเป็นองค์แห่งมักเป็นอย่างไรคือการงดการเว้นการเว้นขาดเจตนาเป็นเหตุงดเว้นจากมิจฉาอาชีวะของภิกษุผู้มีจิตไกลาจากฆ่าศึกมีจิตหาอาสวะมิได้เพียบพร้อมด้วยอริยมกักเจริญอริยมักอยู่นี้เป็นสัมมาอาชีวะอันเป็นอริยะ ที่ไม่มีอาสวะเป็นโลกุตระเป็นองค์แห่งมักภิกษุนั้นย่อมพยายามเพื่อละมิจฉาอาชีวะอย่างสัมมาอาชีวะให้ถึงพร้อมความพยายามของภิกษุนั้นเป็นสัมมาวายามะภิกษุนั้นมีสติละมิจฉาอาชีวะมีสติเข้าถึงสัมมาอาชีวะอยู่สติของภิกษุนั้นเป็นสัมมาสติ ธรรมะสามประการนี้คือสัมมาทิฏฐิสัมมาวายามะและสัมมาสติยอมห้อมล้อมคล้อยตามสัมมาอาชีวะของภิกษุนั้นไปด้วยประการชนนี้ภิกษุทั้งหลายบรรดาองค์เจ็ดนั้นสัมมาทิฏฐิเป็นหัวหน้าสัมมาทิฏฐิเป็นหัวหน้าเป็นอย่างไรคือผู้มีสัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะจึงพอเหมาะได้ผู้มีสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาจึงมีพอเหมาะได้ผู้มีสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะจึงมีพอเหมาะได้ผู้มีสัมมากัมมันตะสัมมาอาชิวะจึงมีพอเหมาะได้ผู้มีสัมมาอาชิวะสัมมาวายามะจึงมีพอเหมาะได้ผู้มีสัมมาวายามะ สัมมาสติจึงมีพอเหมาะได้ผู้มีสัมมาสติสัมมาสมาธิจึงมีพอเหมาะได้ผู้มีสัมมาสมาธิสัมมาญาณะจึงมีพอเหมาะได้ผู้มีสัมมาญานะสัมมาวิมุติจึงมีพอเหมาะได้ภิกษุทั้งหลายพระเสขผู้ประกอบด้วยองค์แปดจึงเป็นพระอาหารหันตผู้ประกอบด้วยองค์สิบ แม้ในบรรดาองค์เหล่านั้นบาปอากุศลธรรมเป็นอเนกไปปราดแล้วย่อมถึงความบริบูรณ์ด้วยภาวนาโดยสัมมาญาณนะด้วยประการชนนี้ภิกษุทั้งหลายบรรดาองเจตนั้นสัมมาทิฏฐิเป็นหัวหน้าสัมมาทิฏฐิเป็นหัวหน้าเป็นอย่างไรคือสัมมาทิฏฐิย่อมทําลายมิจฉาทิฏฐิได้และบาปอากุศลธรรมเป็นอเนก อันมีมิจฉาทิฏฐิเป็นปัจจัยก็เป็นอันถูกสัมมาทิฏฐินั้นทำลายแล้วกุศลละธรรมเป็นอนเนกอันมีสัมมาทิฏฐิเป็นปัจจัยย่อมถึงความเจริญเต็มที่และโดยในยะเดียวกันสัมมาสังกัปปะย่อมทำลายมิจฉาสังกัปปะได้สัมมาวาจาย่อมทำลายมิจฉาวาจาได้สัมมากัมมันตะ ย่อมทำลายมิจฉากรรมมันตะได้สำมาอาชีวะย่อมทำลายมิจฉาอาชีวะได้สำมาวายามะย่อมทำลายมิจฉาวายามะได้สำมาสติย่อมทำลายมิจฉาสติได้สำมาสมาธิย่อมทำลายมิจฉาสมาธิได้สำมายานะย่อมทำลายมิจฉายานะได้สำมาวิมุต ย่อมทำลายมิจฉาวิมุตตได้และบาป ก, กุศลละธรรมเป็นอนเนกอันมีมิจฉาวิมุตตเป็นปัจจัยก็เป็นอันถูกสัมมาวิมุตตนั้นทำลายแล้วกุศลละธรรมเป็นอนเนกอันมีสัมมาวิมุตตเป็นปัจจัยย่อมถึงความเจริญเต็มที่ภิสุจทั้งหลายเราจึงประกาศธรรมบรรยายชื่อว่ามหาจัตตารีสกะฝ่ายกุศลยี่สบประการ ฝ่ายอากุศลยี่สิบประการที่สมณพราหมณ์เทวดามารพรหรือใครๆในโลกยังประกาศไม่ได้ด้วยประการชนนี้ภิกษุทั้งหลายสมณพราหมณ์ผู้ใดผู้หนึ่งปึ่งเข้าใจธรรมบรรยายชื่อว่ามหาจัตตารีสกานี้ว่าตนควรติเตียนหรือคัดค้านคำกล่าวเช่นนั้น และคําที่กล่าวต่อๆกันมาสิบประการนี้ของสมณพราหมณ์นั้นจะเป็นเหตุให้ถูกตําหนิได้ในปัจจุบันทีเดียวคือถ้าท่านผู้เจริญติดเตียนสัมมาทิฏฐิท่านผู้เจริญก็ต้องบูชาสรนเสริญสมณพราหมณ์ผู้เป็นมิจฉาทิฏฐิถ้าท่านผู้เจริญติดเตียนสัมมาสังกัปปะท่านผู้เจริญก็ต้องบูชาสรนเสริญสมณพราหมณ์ผู้เป็นมิจฉาสังกัปปะและโดยในย่าเดียวกัน ถ้าท่านผู้เจริญติดเตียนสัมมาวาจาติดเตียนสัมมากัมมันตะติดเตียนสัมมาอาชีวะติดเตียนสัมมาวายามะติดเตียนสัมมาสติติดเตียนสัมมาสมาธิติดเตียนสัมมาญานะถ้าท่านผู้เจริญติดเตียนสัมมาวิมุตติท่านผู้เจริญก็ต้องบูชาสันเสริญสมณพราหมณ์ผู้เป็นมิจฉาวาจามิจฉากัมมันตะมิจฉาอาชีวะมิจฉาวายามะมิจฉาสติมิจฉาสมาธิ และมิจฉาญาณนะภิกษุทั้งหลายสมณพราหม์เหล่าใดเหล่าหนึ่งพึงเข้าใจธรรมบรรยายชื่อว่ามหาจัตตารีสกะนี้ว่าตนควรติเตียนหรือควรคัดค้านคำกล่าวเช่นนั้นและคำที่กล่าวต่อๆกันมาสิบประการนี้ของสมณะหรือปรามนั้นจะเป็นเหตุให้ถูกตำหนิดได้ในปัจจุบันทีเดียวภิกษุทั้งหลายแม้พวกวัศัก และพวกพัญญะชาโอกะกะละชนบทผู้เป็นอเหตุกะวาทะลัตทิว่าไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยเพื่อความหมวดจดแห่งสัตว์ทั้งหลายอาคิริยาวาทะลัตทิว่าเมื่อทําบาปบาปก็ไม่เป็นอันธรรมนัติกะวาทะลัตทิว่าทานที่ให้แล้วย่อมไม่มีผลลัตทิทั้งหลายเหล่านั้นก็ยังเข้าใจธรรมบัญญายชื่อว่ามหาจัตตารีสกะ ว่าไม่ควรติเตียนไม่ควรคัดค้านข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะกลัวการนินทาการว่าร้ายและการแข่งดีพระผู้มีพระภาคได้ตรัสภาสิทนี้แล้วภิกษุเหล่านั้นมีใจยินดีต่างชื่นชมพระภาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคดังนี้แหลจบมหาจัตตารีสกะสูตร